ทำกันนะเนอะยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังจะไม่เข้าใจอาจจะเข้าใจได้เนอะเข้าใจเกิดขึ้นก็ความสงสัยก็จะมีไม่ได้จุตของผู้ฟังย่อมฟังใส ทรงกลมเห็นให้แก้มแจ้งได้ที่อานิสงส์ของการฟังทองเราก็สาธยาพระชุดโดยท่านนั่งที่มีความพร้อมพิชัยเ จ, จตาม ความสอดความสาธารบิต่ความ ด, ดีเป็นสิ่งแวดล่อมที่ดีพวกเราหน้ากูนี้ก็เป็นสิ่งแวดล่อมที่ดีมิตร ด, ดีสหายดีสิ่งแวดล่อมดีเพื่อนดีก็เป็นไปแล้วของผมมาจน ความวุ่นวาตาจะเกิดขึ้นแต่ผู้ที่มี่งว่าร่ำรได้เหมือนกับจะเป็นอาชีพการงานอะไรก็ตามสวนทํานาทาไร่มีเนื้อนาดีมีนาดีมีข้าวปลูกข้าวเม็ดมี พืดพันดีมีความใสใจก็เกิดผลขึ้นมาได้ชีวิตเราก็เช่นกอนสิ่ ง, เ, งเรื่องดีให้มีศรัทธาเลือกเชื่อลนทุนมาจากทุกสริทิศหัวใจอันเดียวกัน เพื่อปฏิบัติธรรมนเรยว่ามีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรที่จะทํางานทำการทํากรรมกรมฐานที่กรรฐานเป็นงานของเราที่ตั้งของกรกระทำแล้วก็มีที่ตั้งมีการมีใจ สิ่งที่เอาไปตั้งไว้กับกายกับใจก็คือสติคือความรู้สึกความเลือกด้ตั้งไปที่กายที่ใจเหมือนมเมล็ดพืชมเมล็ดพันธุ์หวังลงไปในดินแล้วก็มีความเพียรที่ใส่ใจทำอยู่เสมอ เทวาภาวนาขยันลูกอยู่เสมอเหมือนกับน้มฝนที่โปรยลงปล่อยในเนื้อนาคีอแผ่นดิ น, มนเมล็ดพืชที่ฝังอยู่แล้วก็วองอกอ ง, งามขึ้นมาได้อันนี้เลยว่าชิงแด่ลองชิงได้ก็ตาม แต่เมล็ดพืชเกิดอยู่ในดินมันเป็นหักเป็นข้าวเป็นต้นไม้เป็นผลไม้เป็นอาหารแต่สติปลุกลงไปที่กายที่ใจมันเป็นมากเป็นผลเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้ เมื่อเกิดศ้นเกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วก็หลอกของชั่วทำความดีอิจก็จะบริสุทธิ์กายข้จะบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้มหมองในโลกโปรดหลงเป็นต้นจนเป็นภวมจารหลุดพ้นที่สุดแห่งทุกข์ ดับสนิทไม่มีชวนเหลืออั่งที่เราได้สาธยาพูรไปแล้วลุกคนทำได้กรรมาถานไม่เลือกเพศเลือกวัยเลือกลัทธินิกายใดๆมีอันเดียวกันจิตติเท่าเทียมกันนิกายก็มายกเวอให้รู้สึกก็รู้เช่นเดียวกัน จานุ่งห่มผ้าสีใดเหมือนกันรู้เหมือนกันอีในเพศใดก็รู้เหมือนกันก น, กก น, ก น, นี่คือปฏิบัติได้ให้ผลได้ยกมือขึ้นรู้สึกผู้ฉันเข้ารู้สึกอยากฉันออกรู้สึกนี่เหมือนกันหมดอันนี้ พุทธเจ้าจึงบอกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติเรื่องนี้ผู้ศึกษาเรื่องนี้ต้องทำด้วยตนเองไม่มีใครทำให้กันได้เมื่อใดมีความลูกเกิดขึ้นที่กายที่ใจแล้วก็เป็นไปเอง เปียนแล้วบาปแล้วไม่ให้บาปเกิดขึ้นแล้วแม่บาปที่เกิดขึ้นแล้วกททว็ทำให้บุญไปแล้วทำให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นมากางามไพ่บุญยิ่งขึ้นเป็นไปเองแต่ถ้าเรามีกรรมฐานแล้ว เป็นทานเรือนไปเองเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้จึงบีเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้ก็ไม่บีก็มีความรู้ว่ามัมีความหลงถ้ามีความหลงก็มีความรู้ขณะนี้มันเปลี่ยนได้อยู่ถ้าหากมีความหลงเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติอยู่เราก็รู้ โดยเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้เปลี่ยนความผิดเป็นความรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใานี่เปลี่ยนได้ในความรู้สึกตัวอย่าให้หลงเป็นหลงอย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์อย่าให้โกรธเป็นโกรธมันเปลี่ยนได้อยู่อาจเปลี่ยนได้เป็นดีอย่างนี้หรือว่าปฏิบัติธรรม อยาปล่อยความไม่ดีทิ้งไว้ในกา ใ, ในใจเราเราปล่อยความไม่ดีทิ้งไว้ในกา ใ, ในใจมานานแล้วหลงนสิงหยสงไขหลงโกรธที่อาสงไข่โกรธทุกข์ทีอสงไข่ทุก ข, ขก์เคยเปลี่ยนไหมทำไมเปลี่ยนแต่ก็อกงามในความไม่ดีในกา ใ, ใ, นในใจเรานี่ จนเป็นจริตนิสยัยเราค้าจาาลิตโทสะจลิตโมหะจลิตวัดีแบบเปลี่ยนหะมันมีความดีเกิดขึ้นแล้วมันหลงไม่หลงรู้จักตัวเนี่ยความรู้จักตัวเนี่ยลันก็ทั้งหมดแล้วเราความชั่วแล้วทำความดีแล้วไม่ยาก มันยากเลยว่าจตา่จะมีสิ่งที่ไม่ดีให้เราเลยเลาะอยู่วันหนึ่งหลายเรื่องหลายเราว่ายอยากเกิด้อยข้างพันหนุนก็มีเลยเป็นนิสัยอย่างไรมามันก็ไปอมมันก็แสดงออกมาให้เห็น จะได้เห็นตัวเองที่เป็นความถูกไม่ถูกความถูกต้องความไม่ถูกต้องมันน่าจะขยันแล้วก็มีประโยชน์ถ้าเราไม่เปลี่ยนความร้ายเป็นความดีที่มีอยู่ในกายใใจมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเราต่อคนอื่นชึองอื่น นองบุลลนั่นว่าลูกเต่าหรือสาบีพัญญาเป็นคนชั่วมันเรื่องน่ากลัวกว่าผู้รไรใจก็ไม่มั่นใจตัวเองรู้จะเป็นอย่างไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเรามีสิทธิไหมเรื่องนี้เะลามันหลงมีสิทธิไม่หลงไหม เวลามันโกรธวิสิตที่ไม่โกรธบ้างไหมเคยใช้สิทธิไหมปฏิบัติธรรมเคยมาใช้สิทธ่ให้ถูกต้องประกาศปฏิสลภาพได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกทั้งหนึ่งมันน่าจะพูกใจแม่มันมีความโกรธเกิดขึ้ได้เปลี่ยนความโกรธเป็นทวมลูกมันน่าจะถูกต้องแล้วไอ้ขยันตรงนี้หรือว่าภาวาันา มีงานในการทำจากดีเราทำนาก็มีงานทำนี่เวลาปลูกก็ปลูกรองฝอยหลังซโซ้าหน้าสู้ดินไม่ได้กลัวความร้อนความหนาฝนตกก็เปียงเหนาวีดดออกก็ร้อนก็ไม่เอาความร้อนความหนาวมาอ้างในการทําได้ทํานาว่าเราจะทํา อันนี้ก็เช่นกันแม้จะเกิดอย่างอื่นขึ้นมาขณะที่เรายันลอความชั่วทาความดีอยู่นี่แล้วก็มีสิ่งที่ไม่เกิดแนวร่วมเกิดขึ้นเวลาเราวิสติก็เกิดความหลงความโ ง, งหออัโดนความลังเลสงสอยวามคิดพุ่งซ้อน บางทีก็มีความโกรธพยาบาทมัเคยมีความโกรธมันก็ฉายออกมาแต่ก็อย่าเอามาเป็นข้ออ้างว่าเป็นเรื่องยากถ้ยากก็ไม่อยากจะทำํำมันก็เราทำหน้ามันร้อนก็ว่ า, าความร้อนมันหนาวก็เอาควาหนาว ต้องว่าเหนื่อยต้องว่าหิวไม่ได้เวลาเราทํางานเอาจริงเหล่านั้นมาอ้างก็เป็นคนเกียจคร้านถ้าบางวันก็นอนหรือว่าเป็นคนเกียจคร้ารขนขณะที่ทํางานถ้าว่ารนก็หยุดทําบบปวดแบเมื่อยก็หยุด จะวความเกียดคานลักษณะของความเกียดคานเประเชศนนั้นมักอ้างโน่นอ้างนี่หัดตนสนตนเตือนตนแค่ไขตนอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นเลยะไม่ใช่ตัวเราดอกพนละกานที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรามีมานานแล้ว เอาอย่างคนดีถ้าเรามาเอาอย่างคนดีอาะใจเห็นกะระแสเห็นพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าโอเากันจิตให้บรรลุณนามความดีลูกแรกทางที่บรนขวงกันไม่ให้ผ่านได้ถ้ามันเกิดความ่วง เกิขึ้นมาแสดงเออพเจ้าไปไปทางนี้แหละผู้เจ้าเห็นอันนี้จึงว่าอันแรกมีไหมเปลี่ยนสะให้รู้สึกตัวหาเรื่องแกขอยมองไปท่องฟ้ามองยอดม้อยมองทิศมองทางบางทีมันเอารูปแบบแก้ไม่ได้ยกเือสร้สางจังหวะก็ยังน่วงอยู่ เอาความคิดหรือเอาจิตออกไปข้างนอกก่อนมองทิศบองทางทึกเหือทิศตย้ยทิศตา ย, ต ย, ตายเวลานี้เป็นเวลาใดเป็นเวลากลางวันไม่ใช่เวลานอนกางคืนเป็นเวลานอนขอบอกตอนอย่างนี้ให้ชัดเจน อย่าปิดบังความถูกความผิดที่มันเกิดขึ้นหาเรื่องที่หาความถูกต้องแช่หลงปลอยฟ้องลงปลอยเหมือนย่อยแยกเรียกว่าขบเขี้ยวธรรมวิจยะคือขบเขี้ยวอยอาจนไม่ทางไปอยู่ออกจจะ ตื่นเห็นหนที่มันง่วงได้ดูแจ้งตื่นเห็นมันเอานี่เป็นอาการเดินนะผู้เจ้าเห็นอย่างนี้จะออกมาเป็นความรู้ซะง่ายงายเอาความรู้จะคง่วงได้ไม่ยากถ้าให้เป็นความง่วงพอให้หลับมันจะไปไกลเป็นนิสยัย เรียว่าดีบ่อนระทข้องามเป็นขวงกัน้นความดีจิตหลังเหลยสงสยัยมีเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติจุดโน้นจุดนี้หาคงตอบจากความคิดเหตผลออกโน่นดอก น, นี้ยิ่งศึกษาเล่าเรียนมาจำอโน่นมีหลายครัว า, ารย์ เอาคำพูดของคนอื่นให้คนอื่นบอกผิดบอกถูกนะครับตอบชมคิดมันไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่กรรมฐานเป็นกิจทญยานใครก็คิดได้แต่ว่าทําไม่เป็นรู้ว่าผิดก็รู้อยู่ถูกก็รู้อยู่แต่ไม่เคยแก้ในคราวเดียวกัน ในขาวมันผิดก็มีความถูกในข่าวเดียวก่อนนั่นไม่ให้มันเกิดได้ทันทีปฏิบัติทำมันทันทีมาไว้ไๆสติมาไว้ไๆอย่าช้ า, า, า, าอ้าเทวาไม่ไวก็อะไรเกิดขึ้นลบก่อนเอาเป็นจบไปก่อนเอาเป็นทุกไปก่อนไม่เครมีสติมาไวอันเดินมาก่อน เอ็นต่อเห็นลูกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันไปอย่างด้านวันนี้เห็นลูกจักตัวซะอูดีเห็นเฉียงก็ลูกจิกตัวซอนั่นรีกว่าสติมาไวๆไวสติไาให้กายใจสูข ก, กติเหมือ น, นกับเหตุที่มันคิดเป็นโน้น คิดพุ่งช้อนวันก็จิตออกจากบ้านแล้วลกรู้จักตัวฉาดมรู้จักตัวพอให้จิตกลับบ้านเมื่อรู้จักตัวก็ปกติอะไรเกิดขึ้นกับปากกับใจก็รู้จักตัวฉาดวันก็ว่าพ่อแม่ ของกายของใจก็ว่าได้สติดีพระพุทธเจ้าั้งตั้งชืง่อว่าอุปการละคุณอุปการละมากที่ช่วยกายช่วยใจพาให้กายกลับบ้านพาให้ใจกลับบ้านถ้าไม่ฝึกก็องจานกลางคืนเป็นขวานกลางวันเป็นเปลวอลาคืนคคก็ว่าวันกลางวันก็ว่าคิด พุงยอดจากนั้นไม่ได้อยู่ในบ้านทํางานกับพุ่งไปที่อื่นอะไร ก, พไกร็พุ่งไปที่อื่นอ่านหนังสือพุ่งไปที่อื่นอ่านจดหมายหน้าเดียวไม่เข้าใจต้องอ่านสองรอบสามรอบไชัดเจนไม่แม่นยอมก็ฝึกสติให้รู้จักตัวในคราวเดียวกันมันก็จบชัดเจนแม่นยอม เฉพาะเรื่องทำอะไรก็เฉพาะเรื่องกาเฉพาะเรื่องเป็นระเบียบชัดเจนแน่ยอมอย่างนี้ระว่าสมาธิสมาธิคือมันมีที่ตั้งแล้ว ท, ลทำงานก็รู้จุดการทํางานอ่านหนังสือทํางานขับรถเราไปฝึกบางทีขับรถก็หลับได้ ทางที่ดีมีงานทำอยู่ไม่มีชัดเกณฑ์แม่นยำในการงานนั่นนั้นใช้กายใช้ใจก็ผิดไปควมล็อกกับเป็นความเกียจชัง แ, แต่เขาจะมาใช้เรียกว่าอารมจอนมาวันอะคันตุ ก, กะหรือเมอะไรจอนมามาดึงไปใช้แลใช้เขา รับใช้ความทุกข์รับใช้ความโกรธโอ้หนี่เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกอมันจึงผิดพลาดหิใจก็พิ่งใจไม่ได้ร่มรอดร่มดีในกายก็ไปใช้ผิดก็ติดเล่าติดบุญรีติดอะไรที่เป็นความชั่ว ในความจําเป็นของบุโภกบริโภคพุ่งพวยเกินไางท่นที่มีแต่โทษได้เงินมาหาเงินบางคนก็บ่นว่าได้เงินเฉยๆว่าชื่อบริษัทไหนว่าได้เงินกมาลชื่อบริสูทจริงๆทนที่จะขึ้นเข้าปาอาหารให้ ร่างกายได้ประโยชน์เอาความเป็นทุกข์เป็นโทษวาใส่ร่างกายเข้าไปเกิดลูกใครใคเจ็บตอนทั้งที่รู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่ทาไม่ได้เวลาเรามาปฏิบัตินี้ยม่จะได้โอกาสเปลี่ยนความไม่ดีให้เป็นความดีให้เป็นความถูกต้องส ต, ติเป็นเกณฑ์ที่วัด บอกความเท็จกามจริงในสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับวากับใจเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเห็นตัวเองมากกว่าการมีสติเป็นหน้าโลกเหมือนกับเจ้าของกายเจ้าของใจมีสิทธิเราใช้สิทธิชอบทอม ผมไม่ชอบทำเสร็จคือเบอร์ไร่ใช่ความชอบทำามหลงไม่จริงผมไม่หลงมันจริงผมชอบทำไปอย่างนี้ความทุกข์ไม่จริงผมไม่ทุกข์มืนจริงเกิดขึ้นไหมกับเราเราเดี่ยวถ้าความชอบทำไม่เกิดขึ้นที่เราความชอบทำก็เกิดขึ้นที่อนได้ยาก เราจะเรียกล้องควาเป็นธรรมจากคนอื่นมันทำไม่ได้ก็ทะเลาะบอกร่องกันความเั็นธมต้องเกิดขึ้นที่เราก่อนบางทีความเป็ทามมันก็ไม่มีจากคนอื่นที่ทำกับเราเราก็รู้รู้หลบเป็นปีกดูห ล, ลีกเป็นหางคนชั่วคนดีมิเทศิทธิยม มีเยอะแยะในโลกนี้ว่าท่านทุกวันนี้ลูกหลานอยู่ในจิงเวรโลกไม่ดีพ่อแม่เป็นคนดีมันอยู่กับจิงเวรโลกไม่ดีก็กลายเป็นคนไม่ดีแต่จิงวะชวนกันดีถ้าคนไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็เดือดร้อน ขณะนี่โลกมันร้อนโลกมันทำลายโลกเราไม่ตัดตอนมั่วจากต้นก็เหมือนเขาตัดแล้วก็เดือดร้อนเราจึงมาชวนกันนับหนึ่งจากตัวเรานี้ก่อนเริ่มต้นจากตัวเราทุกคนได้นับหนึ่งจากตัวเราทุกคนมีสติเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนความลอดเป็นความดี ให้มากบากตัววิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาที่ตั้งต้นที่ดีจะได้ทิศได้ทางร่วมกันเี่เรานั่งจุดนี้เป็นได้ร้อยเอวเนี่ยแต่ทุกคนมีชติเปลี่ยนความรู้เป็นความหลงเปลี่ยนความหลงไป็นความรู้อยู่มันก็ลอคของชั่วเป็นคนคนเดียวกัน แล้วหลงคนอื่นเขาหลงเขาเปลี่ยนหลงที่เกิดเครือข่าแล้วเราก็เปลี่ยนหลงที่เกิดเครืข่ากับเราไปทางเดียวกันกลายเป็นคนคนเดียวกันทันทีเห็นกันก็ทําอันเดียวกันทันทีเข้าใจกันเมื่อเรารู้เรื่องนี้เห็นเรื่องนี้เวลาเราเวลาคนอื่นหลงเราก็รู้จะได้ช่วยเขาให้เขาไม่หลง เปิดมีดกันอย่างนี้เลวลาคนอื่นโกรธเราเคยโกรธเราเปลี่ยนไปแล้วเราไม่โกรธแล้วไปช่วยกันดีกว่ามิตรแท้ๆเพิ่งอาพาช่วยกันได้ป้องกันมตรผู้ปบำบาทคืออย่างนี้รักษามิตรผู้ประบาทรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้บำบาทแล้วก็ช่วยกัน อาจเป็นการละยาบิดกันและเป็นกันรละยาประตุชนเมื่อเป็นการลยาแล้วปิดแล้วก็ยังลากความดีลงไปชูกันแน่นหนามากขึ้นถ้าเราเป็นสามีภันยากันเท่านี่ไปพอต้องเป็นการลยาณบิตรเพิ่มเข้าไปอีกด้วจะช่วยกันเดนี้แล้วก็เวสังคมครอบครัว ครบคัวเราก็สร้างเป็นกัญยาเมิตรขึ้นมาได้เป็นสังฆะสมุคีเป็นเดิมเดียวกันร่วมกันกายเป็นกัญญลเมตต์ลึกเข้าไปมองกันเป็นกัญยามิตรแล้หมายคเป็นสามีปัญญาลึกเข้าปไปมองกันเป็นเพื่อนเข้าไปมองกันเป็น พ่อเป็นแม่กันเป็นพี่เป็นลูงกันอาจจะมองสอมีเป็นพ่อก็ได้อาจจะมองปัญญาเป็นแม่ก็ได้ช่วยกันจริงจริงไม่หลังเกียรกันจริงจริงแลมีปัญญาเป็นพ่อเป็นแม่กันได้ช่วยกันจริงจริงเคยเห็นมาแล้วเห็นคนเจ้ ไปเจ็บตูกของเมียเมียตายฟ้าพาฝังไม่ที่ไ่ขุดหลุมลงไปไลเอกระหลกให้ลูกขุดลูกขุดไปเจอหัวกระโหลกลูกกระโดดขึ้นหลุมขึ้มานั่งบนปากหลุมแตนหัวกระโหลกแล้วแต่พ่อ กระโดดลงไปกูเองกระโดดลงปไปคือสามีกระโดละโดลงป่อยในหลมุมนั่งลงเอาผ้าขาวมา้าปูไว้เก็บกระโหลกหัวของเมียใส่ผ้าขามา้ากวดเขี่ยเอากระดูกเก็บทุกขิ้นสุกส่วนนี่คือสามีปัญญาที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเพื่อนทัมิตรกันก็พึ่งพาใส่กันได้อย่างดี ถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้เพียงแต่คนหนึ่งโกรธก็โกรธตอบกันไปแทนที่ช่วยกันถ้าเรามาลู่เรื่องนี้นะมันจะมันจะดีมันจะเป็นสังคมที่ดีครอบครัวที่ดีแล้วก็พึ่งพาช่กันได้เดีวนี้แม้ตต่ใจเราเองก็ไม่มั่นใจ คมร้ายคนดีอยู่เช่นเดียร์ไปรู้จะเป็นอย่างไรแล้งพากันประมหมอดอยู่ออนไลเป็ น, น, นเกินสารประชละของชิดเราควรทจะดีกว่านี้แล้วก็โชว์เนี่ยากาศกรรมฐานไม่ที่ให้อยู่มีข้าวให้กินมีอะไรกันเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ว่า นี่คือหลดชีวิตจริงๆมาดูตัวเองสูทั้งหล่อจะมาดูโลกดีคือกายกับใจเนี่ยพระเจ้าว่าอย่างนี้ซึงชวนมาปฏิบัติถ้พวกเราปฏิบัติเหมือนกันเราก็หวังจะมีที่พึ่ง ว่าจะมีที่พึ่งแล้วขอโคกรู่จักแก้วความร้ายเป็นความดีถ้าคนรู้จักแก้วความร้ายเป็นความดีก็พึ่งพาช่กันได้จึงมีกองมาฐานนี่แหละแล้วก็มีภาวนาขยานันรู้แล้วก็มีวิปัสสนาลูกแก่แจ้งถึงที่สุดคือมรรคผลนิพพานเย็นสนิทหม ด, ด, ดจดต่อเครื่องทรงหมอง เราคอยอยู่กันื่องความผาสุสกสงบ่มเย็นเพื่อาอาศัยกันได้ดินนี้มีแม่น้ำมีอากาศมีป่าไม้มีอาหารนีอะไรต่างๆที่นีเดี๋ยวนี้ไม่แต่แผ่นดินก็เหยียบไปได้ไม่แต่สารพิษ น้ำกาอาบไม่ได้แล้วผนตกลงมาลองไปอาบด้วยช้นา้ำในชาะท้้งบนอาคารเพื้นไปเลยมีสารพิษกรับ ม, มกโซนซุยมีต่างๆไหลลงมาอากาศก็เป็นพนิษแล้วอาหารก็เป็นพนิษทุกทำลาย บางทีมันเราถังกับมกโซนจีดยาข้ามาแรงข้ายาลาในน้ำในห้วยในหนองเห็นหัวกับหัวกับตาจีดในน้ำโชว์ฝาผัว่าถังใหญ่ใหญ่ใันกาทํายางนี้ก็มีเราจะมีธรรมญาติตาเกิดเกินในเรื่องนี้ มันจำเป็นต้องทำมาญาติตาประกาศออกไปไม้เดรุดูวางเกิดปัญหาขึ้นเสร็จแล้วเพราะมีคนทำไม่ถูกต้องเห็นกับตาเอารถเจนเลอดถังขีดยายใหญ่ลงไปด้างในอ่างงา้ำที่วัดที่ใกล้ๆวัดบ้านเท่าไปหวานเนี่ย เราทำอย่างนี้ก็มีเวลาที่เขาจะร่างไงน้ำอย่างเดียวมันไปชู อ, อะไรเยอะๆไปวนล้วไปชู่เราด้วยเราจึงประกาศจึงเชิญชวนจึงพยายามลหลายอย่างซส่ยงเวทล้อมธรรมชาติแล้วก็ได้ตัวเรานีงด้วย ใช่พร้อมๆกันที่เราจะทงให้เราพวกอยู่ได้เริ่มต้นจากหนึ่งจากตัวนี้ก่อนสองอาจารย์ทรงชินเขียนไว้ที่โรงอาหารนั่นบาดีน้ำดีดินดีอยู่ที่ไหนบาดีน้ำดีดินดีอยู่ที่โคนคนอยู่ที่ไหน คนอยู่ที่เดานี้ขี้ผาตัวเรานี้เรานับหนึ่งก่อนเราจะต้องเป็นคนดีลนะควงชั่วเวลามันหลงเปลี่ยนความหลงเป็ความรู้เนี่ยต้นต้นจากตนี่ไปเห็นความรู้จักตัวกับความหลงตรงกันข้ามความทุกข์ควมไม่ทุกข์ตรงกันข้าม ของโกดก็ไม่โกดตรงกันข้ามอยู่ใกล้ๆกันเหมือนหลังมือหน้ามือเนี่ยเปลี่ยนหน้าอยู่อัดเปลี่ยนตัวนี้ไว้ไว้เปลี่ยนไว้ไว้มันจะดีอย่าใครขยันเปลี่ยนนรงนี่ไว้ไว้มีมาให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนทุกครั้งหลงร้อยข้างลูร้อยข้างโกดร้อยข้างลูร้อยข้างลู่เท่าลู่ตันจางนี้มันไม่เหลือดอกแฟนผู้บท ปาตลางดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออ้าวเท่าดียนะว่ย น, นี่ตั ว, ว น, นี่ตัว